เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณามีใจบุญใจขุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างความสุขความเจริญสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของตนเพราะเมื่อได้มาวัดแล้วก็จะได้กระทากิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนั่นเองเช่นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรียกว่าบูชาจะ บ, บูชนียนังเอตัมมังกลมุตตมังการได้บูชาสิ่งที่สมควรแก่บูชาบุคคลที่สมควรแก่บูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตและในบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายบุคคลต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไร จะประเสิจะวิเศษจะมีคุณค่ายิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถเทียบเปรียบหรือแข่งกับคุณวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถสอนเราช่วยเราพาเราให้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสอนเราช่วยเราพาเราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเปรียบกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีคุณค่าเช่น เพชรนิมจินดาเงินทองต่างๆแล้วเมื่อเปรียบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนอิดก้อนกวนไปแต่พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะจริงๆเป็นแก้ววิเศษเป็นเพชรจริงๆถ้าผู้ใดได้ได มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ครอบครองอยู่ในใจของตนแล้วผู้นั้นจะไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาทำ้ายทาลายจิตใจได้เลยนี่แหละเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้สิ่งอื่นๆในโลกนี้ต่อจะให้ดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหน มีราคาแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะป้องกัน ร, รักษาจิตใจไม่ให้ทุกได้ต่อให้เป็นพระมาหากษัตริย์เป็น ป, นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจของตนนั้นเกิดความทุกได้ าะไม่มีอะไรในโลกนี้นั่นเองที่จะสามารถป้องปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้ทุกได้มีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้ใดก็ตามที่ได้ประสบได้สัมผัสกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วและเห็นคุณค่าเห็นผลของการ ที่ได้สัมผัสแล้วจะไม่สนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ดังบุคคลต่างๆในอดีตเมื่อได้พบปะกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้พบกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เกิดศรัทธากันแล้วก็มีการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละครอบครัว สละทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชเพื่อที่จะได้พระรัตนาใจมาเป็นสมบัติครอบครองนั่นเองบุคคลเหล่านั้นเขาเป็นผู้ที่ยืนยันแล้วให้เราแล้วว่าไม่มีอะไรประเสริฐจริงๆถ้ามีสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ประเสริฐกว่าแล้วจะมีใคร ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปได้แต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่จะชนะรถแห่งธรรมไปได้นี่คือความจริงถ้าผู้ใดลองได้สัมผัสอยู่ในใจของตนแล้วจะสามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สละได้ เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐรมนตรีก็สละได้เป็นมหาเศรษฐีแสนล้านก็สละได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยจิตใจเขาเลยเขายังต้องทุกข์และดีไม่ดีอาจจะทุกข์มากกว่าคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเสียด้วยซ้ำไปเพราะยิ่งมีมากก็ต้องมีความห่วงใหญ่มากมีความยึดติดมาก มีความเสียใจมากเวลาที่ต้องสูญเสียหรือต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปนั่นเองและไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปได้เพราะทุกคนอยู่ในโลกของอนิจจงโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองโลกของการพัดพรากจากกันไม่ว่าจะได้อะไร วิเศษขนาดไหนมีอะไรวิเศษขนาดไหนสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปแต่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่เมื่อได้อยู่ในใจของผู้ใดแล้วจะอยู่ไปตลอดจะอยู่คู่ติดไปกับใจไปตลอดใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายใจก็เป็นสิ่งที่ไม่สูญไม่ดับไม่สลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้สถิตอยู่ในใจ ก็จะไม่สูญไม่ดับไปเช่นเดียวกันจะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการให้ความสุขความอิ่มเอิบใจความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปตลอดนี่แลคือความวิเศษของพระรัตนตรัยของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราได้เข้ามา แสวงหากันหรือมาสร้างให้เกิดขึ้นภายในใจขอให้เราพยายามะระเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือะระเลิกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปยินดีกับสิ่งอื่นๆในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่เจริญ พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคือไม่ระลึกถึงอยู่เรื่อยๆแล้ ว, ลวความหลงที่ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ก็จะหลอกให้เราไปหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้อยากได้ตาแหน่งนั้นตาแหน่งนี้มาเป็นสมบัติถ้าเรายังมีความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าเรายังไม่เห็นพระคุณ ที่วิเศษของพระพุทธของพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยได้พลอยแล้วแต่ไม่เห็นไม่รู้คุณค่าของพลอยว่ามีคุณค่าขนาดไหนเพราะไก่จะสนใจแต่ตัวหนอนกับตัวไส้เดือนเท่านั้นเพราะเขากินไส้เดือนกินหนอนได้เขาไม่สามารถกินพลอยได้แต่ถ้าเขามีปัญญาสักหน่อย ถ้ารู้ว่าเอาพลอยนี้ไปแลกจะสามารถแลกเอาตัวนอนตัวไส้เดือนมาได้เป็นแสนตัวเลยทีเดียวนี่คือเขาไม่รู้เพราะเขายังมีความหลงครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาความฉลาดที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนั่นเองก็เลยต้องหากินกับหาตัวนอนไป หาตัวหนอนหาตัวไส้เดือนกินไปเรื่อยๆลำบากลำบนทั้งวันต้องคอยคุย้ยคอยเขีย่ยคอยเดินหาอยู่เรื่อยๆนานๆจะได้เจอสักตัวหนึ่งแต่ถ้ามีปัญญาเอาพลอยนี่มาแลกกับตัวหนอนก็จะได้ตัวหนอนไปตลอดชีวิตมีตัวหนอนตัวไส้เดือนกินไปตลอดชีวิตเลยแต่ไก่ก็ไม่มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์ มนุษย์นี้มองเห็นทันทีก็รู้ว่าพลอยนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าไส้เดือนเส้นเจ้าของไก่ถ้าได้เห็นพลอยเขาก็จะเอาพลอยนี้ไปแลกเป็นเงินเป็นทองเพื่อจะได้ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงไก่ไก่ก็ไม่ต้องลำบากกับการหาตัวหนอนตัวไส้เดือนอยู่กินอย่างอิงหมีผีมันชันใด พระัตนาไตรัยก็เป็นเหมือนกับพลอยพวกเราที่เป็นปุถุชนที่ยังหลงอยู่กับลาบยศสารเสริญสุขอยู่หลงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่หลงกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็เป็นเหมือนกับไก่นี่เองเป็นไก่ที่ได้พลอยแต่ไม่เห็นคุณค่าของพลอยไม่ตักตวงประโยชน์ที่จะได้รับจากพลอยมัวแต่เสียเวลากับการไปหา ราบยศสลรเสริม ส, สุขกันแล้วก็ต้องมาล้องห่มล้องห้ามาทุกข์มากมังวลมาห่วงมาเสียดายมาอะไรเอาวานกันเพราะเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องจากเราไปหรือมีปัญหากับเรานีเป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะมองที่จะแยกแยะ ให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์กับจิตใจอะไรเป็นโทษกับจิตใจเราจึงมักจะเอาสิ่งที่เป็นโทษมาให้กับจิตใจเอาความทุกข์มาให้กับตัวเราเองไม่มีใครหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเราเราเป็นคนคว้ามาเองเวลาอยากจะได้คู่ครองนี้ก็เป็นการไปหยิบเอาความทุกข์มาให้แล้ว ได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องมาทุกข์มากังวลมาทะเลาะวิวาสมาเสียอกเสียใจกับสามีกับภรรยาได้สามีภรรยาแล้วยังไม่พอก็ยังอยากจะได้ลูกอีกก็หามาหาลูกสร้างลูกขึ้นมาผลิตลูกขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์กับลูกอีกลูกคนหนึ่งเลี้ยงมันกว่าจะต่นี่ หมดเงินหมดทองไปสักเท่าไหร่สมัยนี้เป็นแสนเป็นล้านไม่รู้จะพอหรือเปล่าแล้วใครล่ะจะต้องหาเงินหาทองเหล่านี้มาเลี้ยงลูกก็ตัวคนพ่อตัวพ่ อ, ต, พอตัวแม่นี่เองเมื่อก่อนนี้อยู่คนเดียวหาเงินได้เท่าไหร่ก็เป็นของตนเองหมดพอมีลูกแล้วทีนี้เหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรมีเจ้าหนี้มาคอยทวงนี้เดี๋ยว ถึงเวลาก็ต้องจ่ายค่าเราเรียนจ่ายค่าเสื้อผ้าต้องซื้อขนมต้องซื้อของเล่นซื้ออะไรต่างๆมากมายอยู่ตลอดเวลากลายเป็นทาสของลูกไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ถ้าคนโง่ก็เรียกว่าเป็นความสุขเขาว่ามีความสุขกับลูกเห็นลูกแล้วมีความสุขแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่จะต้องเลี้ยงลูกว่ามันทุกข์อย่างไรบ้าง และถ้าเกิดลูกเป็นลูกทรพีก็ยิ่งต้องมาเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังอีกเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ได้ดีลูกก็เนรคุณลูกไม่มีความกตัญญูกตวเวทีก็ต้องมาร้องหมร้องไห้เศร้าสศกเสียใจความทุกข์เหล่านี้ใครเป็นคนให้กับเราล่ะถ้าไม่ใช่ตัวเราเองถ้าไม่ใช่ความโง่ของเรา ไม่มีใครเขาบังคับให้เราไปมีสามีมีภรรยาให้มีลูกมีเรามีความโง่ของเราที่คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขมีแล้วจะดีนั่นเองนี่แหละคือความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเราทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คอยสอนคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากได้อะไร อย่าไปอยากมีอะไรเพราะมีแล้วมันจะทุกข์มีแล้วมันจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมาต่อไปหัดอยู่คนเดียวถ้าอยู่อย่างพระพุทธเจ้าอยู่อย่างพระสงค์แล้วจะไม่รู้สึกว้าวเวจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยน้อยเหงาเพราะไม่ได้อยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆ ท่านมีธรรมะอยู่หล่อเลี้ยงจิตใจท่านพยายามเอาธรรมะเข้ามาจิตใจอยู่เรื่อยๆเวลาท่านมองอะไรเห็นอะไรก็คอยสอนใจเรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเอามาแล้วมันจะทำให้เราเกิดความทุกข์นี่คือธรรมะที่จะคอยสอนใจไม่ให้อยากได้อะไรไม่ให้อยากมีอะไร เมื่อไม่มีความอยากได้อยากมีแล้วอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกว้าเหวจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหน่อยเหงาแต่อย่างไรแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจะเกิดความรู้สึกว้าเหวขึ้นมาทันทีอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นใกล้คนนี้อยากจะมีสิ่งนั้นดูอยากจะมีสิ่งนั้นทำถ้าอยู่เฉยๆแล้วเหมือนกับตกนรก ทั้งที่ความจริงแล้วอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นสวรรค์ที่เลิศที่สุดแต่เพราะว่าใจของเรานั้นมันมีความหลงคอยหลอ่อคอยเสี้ยมสอนให้ให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆนั่นเองจึงทำให้พออยู่เฉยๆแล้วเหมือนกับคนไม่มีลมหายใจอย่างนั้นเหมือนกับขาดลมหายใจจะตายให้ได้ คนที่เคยดื่มเหล้าพอไม่ได้ดื่มเหล้าก็จะตายให้ได้คนที่ไม่คนที่เคยสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะตายให้ได้คนที่เคยเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็จะตายให้ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้คนที่เคยดูละครดูโทรทัศน์ทุกคืนถ้าเกิดวันไหนไฟดับไม่ได้ดูโทรทัศน์ ก็จะรู้สึกหมดกิจใจว้าเหวขึ้นมาทันทีเพราะหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่มีคุณก็เท่ากับตัวหนอนตัวไส้เดือนเท่านั้นที่เพียงแต่จะเยียวยาดูแลกิเลสตัณหาไม่ให้มันสร้างความทุกข์กังวลกยให้กับใจเท่านั้นเองพอกิเลสตัณหาอยากจะได้อะไรก็ต้องรีบ เอามาประเคนให้มันทันทีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะว่าเราหลงไปเลี้ยงดูสิ่งที่เราไม่ควรเลี้ยงนั่นเองแทนที่จะเลี้ยงสิ่งที่ควรเลี้ยงเรากลับไปเลี้ยงสิ่งที่ไม่ควรเลี้ยงคือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆสิ่งที่ควรจะเลี้ยงดูก็คือใจของเรา ใจของเราสิ่งที่ใจของเราต้องการคืออะไรก็คือธรรมะนี่เองต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมาหักล้างมาลบล้างความโง่เขลาเบาปัญญาความหลงที่คอยหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้นั่นเองนั่นแหละ เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมาเข้าวัดกันเพราะเมื่อเรามาวัดแล้วเราก็จะได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วใจของเราก็จะได้รับอาหารทำให้เกิดความสงบเกิดความอิ่มขึ้นมา แล้วก็เกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายของเราก็มีการเกิดแล้วก็มีการดับ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีมันก็จะหมดไปพร้อมๆกับการดับของร่างกายเวลาเราตายไปแล้วใจของเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่เงิน ท, ที่เงินที่เขาเอาใส่ไว้ในปากหรือใส่ไว้ในมือเราก็ยังเอาไปไม่ได้สับปเปล่าเก็บไปซื้อเหล้ากินนี่คือความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นกัน หรือมองเห็นแต่เราพยายามลืมมันเราไม่อยากจะคิดมันเพราะกิเลสความหลงไม่ยอมให้เราคิดเพราะถ้าเราคิดอย่างนี้มากๆแล้วกิเลสมันจะไม่ได้สิ่งที่มันต้องการเพราะเราจะเกิดความฉลาดขึ้นเราจะรู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาทั้งหมดนี้ก็คือตัวกิเลสนี่เองตัวที่ให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงให้เราอยากได้สิ่งต่างๆนี้ แต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้นั้นจะต้องจากเราไปในที่สุดมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้ขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าถ้าเราได้มาแล้วเวลามันจากเราไปมันทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งถ้าไม่มีเสียอย่างแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็อยู่ตามสภาพของเราได้เช่นตอนนี้พวกเราทุกคนนี้อยู่ตามสภาพของพวกเราทุกคนได้ เราพอมีพอกินกันทุกคนแต่ใจมันไม่พอเพราะกิเลสมันอยากได้มันจึงทำให้เราต้องทุกข์ยากลำบากต้องคอยดิ้นรนสแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันมาแล้วก็จะต้องสแสวงหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความอยากความโลภนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดได้คืบแล้วมันก็อยากจะได้สอบ ได้สอก็อยากจะได้วามันจะอยากไปเรื่อยๆขยายตัวเพิ่มไปเรื่อยๆท่านทรงแสดงไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรมหาสมุทรนั้นแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีเขตมีฝั่งแต่ตันหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีเขต ได้เท่าไหร่มาแล้วจะไม่มีคำว่าพอนะเมื่อไม่มีคำว่าพอก็จะอยากไปเรื่อยๆดังนั้นวิธีที่เราจะเอาชนะความอยากได้เราก็ต้องสร้างความพอให้เกิดขึ้นเราต้องใช้เหตุผลต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นสิ่งที่มันมีจาเป็นต่อการดำรงชีพของเรานั้นมันพอหรือ ย, อยัง เรามีกินหรือเปล่าเรามีใช้หรือเปล่าในสิ่งจำเป็นต่างๆถ้ามีแล้วก็แสดงว่าควรจะพอแล้วถ้าเรารู้จักคำว่าพอแล้วความอยากจะไม่สามารถขยายตัวหรือเจริญเติบโตขึ้นไปได้มันมีแต่จะเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเลย พ อ, พอเกิดความอยากขึ้นมาในใจก็จะเห็นความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีพออยากแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ตอนนี้ถ้าอยากจะดื่มเหล้าก็จะนั่งทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะไปดูอะไรไปฟังอะไรก็จะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจกังวลกังวายกระสับกระส่าย จนในที่สุดจะต้องลุกไปทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำทันทีนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคอยคอยบอกคอยเตือนเราให้เราดูใจของเราให้ดูว่าเวลามีความอยากนั้นให้เราใช้เหตุผลต่อสู้กับความอยากอย่าปล่อยให้ความอยากมันพาไปตามอารมณ์เห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามก็อยากได้ทันที ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้สิ่งนั้นมาเช่นเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆของต่างๆที่เรามีอยู่แล้วพอเพียงอยู่แล้วแต่พอเราไปเดินตามร้านตามห้างเห็นของใหม่ๆออกมาโชว์เราก็เกิดความอยากได้ทันทีแล้วพอเกิดความอยากแล้วก็ต้องต้องเอามาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วใจมันก็ยัง หงุดหงิดใจยังคิดอยู่ถึงไอสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นบางทีเดินผ่านไปแล้วต้องไก่ยังต้องย้อนกลับมาเพราะมันยังคาติดอยู่ในใจมันไม่ยอมหายไปจากใจของเรามันจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราไปซื้อมันมาแล้วพอซื้อมาแล้วได้มาแล้วทีนี้มันไม่สนใจแล้วเหมือนกับเสื้อผ้ากับของอื่นๆที่เราซื้อมาในอดีต เราซื้อมามากมายเก็บไว้ในตู้เต็มบ้านไปหมดมันไม่อยู่ในใจเราแล้วตอนนี้มันอยู่ในตู้แต่ไอสิ่งที่มันยังไม่ได้มาเป็นของเรานี้มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรได้ยินอะไรก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีเราจึงต้องคอยดูใจของเราดูความอยากของเราแล้วใช้ปัญญาคือเหตุผลเข้าไประงับ ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆถ้าไม่มีมันแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นจะต้องเอามาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราทำได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะรวยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเงินทองที่เราหามาได้แสนยากลาบากนั้นจะไม่หมดไปไง่ายๆจะอยู่กับเรานานกว่าที่เมื่อก่อนนี้ เมื่อก่อนนี้เงินเดือนออกมาไม่ทันจะไปซื้อของอะไรต้องไปใช้หนี้หมดก่อนแล้วเพราะใช้ไปก่อนแล้วแล้วก็ต้องไปเป็นหนี้ใหม่อีกเพราะอะไรเพราะความอยากนี่เองใช้เกินความจำเป็นทำให้มีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้มีรายได้เท่าไหร่ก็จะใช้มากกว่ารายได้เสมอปัญหาจึงดกอยู่กับตัวเรา การเป็นหนี้นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจเลยมันเป็นภาระมันคอยกดดันจิตใจของเราให้เราต้องห่วงต้องกังวลอยู่เรื่อยพอเราไม่มีเงินใช้หนี้เขาเราก็วุ่นวายใจกินไม่ได้นอะนไม่หลับเพราะเราเสียดายของที่เราซื้อมาที่จะต้องถูกเขายึดคืนไปเช่นบ้านเราผ่อนอยู่ถ้าเกิดมันถูกเขายึดไปเราก็ไม่มีบ้านอยู่ แต่ถ้าเราในเบื้องต้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านเราก็อย่าไปซื้อมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็เช่าไปอยู่ไปเช่าไปมีเงินเท่าไหร่จ่ายค่าเช่าได้ก็เช่าไปในราคานั้นเราก็อยู่ได้ดีกว่าคิดว่ามีสมบัติเป็นบ้านเป็นช่องแต่อยู่ไม่ทันลายตายไปก่อนก็มีบ้านช่องที่ซื้อมาก็กลายเป็นบ้านของคนอื่นไป แต่ถ้าเราผ่อนถ้าเราจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆ เ, เราตายไปบ้านนั้นก็มันก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปนี่แหละเราต้องใช้เหตุผลแล้วเราจะสามารถรักษาเงินทองที่มีอยู่ในกระเป๋าของเรานี้ให้มีมากขึ้นได้เราจะรวยขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราจะมีความมั่มนคงในทางการในด้านการเงินขึ้นไปเรื่อยๆ จนเราจะรู้สึกไม่วิตกกังวลกับเรื่องเงินทองอีกต่อไปเพราะเราจะมีเงินทองหลือใช้อยู่เสมอและเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปทุกข์กับการจ่ายหนี้จ่ายสินนี่แหละคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของพวกเรายังไม่ต้องหลับไม่ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับของพ่อพุทธเจ้าเกิดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย อย่างน้อยถ้าเราเวียน่ายตายเกิดเราก็จะเวียน่ายตายเกิดในสุขคติเราจะมีความสุขในทุกภพทุกชาติมากกว่าความทุกข์ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจรู้จักต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆไม่ให้มันเลยเถิดมากไปเกินฐานะของเราเราก็จะอยู่ได้ดยอย่างร่มเย็นเป็นสุขยึงขอให้ท่านจงพยาม เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะด้วยการเปิดวิทยุที่มีการเทศนาว่ากาเนื้อเปิดเทเปเปิดเครื่องเล่นที่มีที่เราสามารถเอาแผ่นเอาเทปไปเปิดธรรมะมาฟังได้พยายามฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีเพื่อนคอยเตือนสติคอยสอนใจเราอยู่เรื่อย ไม่ให้เราเดินหลงทางไม่ให้เราเดินเข้าสู่กองทุกข์ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใกล้ใจแล้วความทุกข์จะไม่สามารถเข้ามาในใจของเราได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เปรียบเหมือนกับเกราะคุ้มกันนั่นเองจึงขอให้ท่านพยายามสร้างเกราะคุ้มกันนี้ไว้ด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วท่านจะมีสรณะมีที่พึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจของท่านให้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขไปได้ตลอดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์